วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรม มาศึกษาธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อการกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปการแสดงธรรมและการปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนี้ก็จะมีแบ่งไว้เป็นสองตอนด้วยกันคือตอนแรก30สนาทีแรกก็จะเป็นการแสดงธรรมฟังเทศฟังธรรม ส่วน30นาทีต่อมาก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมคือจะเป็นการนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบให้เกิดความสุขที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงสำหรับธรรมที่จะเอามาแสดงในวันนี้มีหัวข้อว่าทางเลือกของดวงวิญญาณ พวกเราทุกคนนี้มีองค์ประกอบสำคัญอยู่สององค์ประกอบด้วยกันคือเรามีร่างกายและมีจิตใจร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวส่วนจิตใจนี้เป็นของยั่งยืนถาวรร่างกายวัดในวันหนึ่งก็จะต้องถึงแก่ความตายไป เวลาที่ร่างกายตายไปจิตใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจอยู่ต่อไปและมีการเปลี่ยนชื่อใหม่จากจิตใจเป็นดวงวิญญาณและทางเลือกของดวงวิญญาณคือทางไปของดวงวิญญาณนี้ก็มีอยู่สมทางด้วยกันคือหนึ่งไปสู่ทุกขติ คือไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนสุลกายหรือไปตกนรกอันนี้เป็นทางเลือกที่หนึ่งทางเลือกที่สองก็คือไปสู่สุกติคือไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆและทางเลือกที่สามของดวงวิญญาณก็คือการไปสู่พระนิพพาน ไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์สิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือสามทางเลือกของดวงวิญญาณที่เราในขณะที่มีชีวิตอยู่เราสามารถที่จะเลือกไปได้เราต้องทำในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราต้องเลือกสามทาง และเดินไปทำทางที่เราได้ตัดสินใจที่จะที่เราได้เลือกเราจะมารอทําตอนที่ร่างกายตายไปแล้วไม่ได้เพราะตอนนั้นมันเป็นการมันสายเกินไปพอร่างกายตายไปปับ๊บใจก็จะต้องไปทางใดทางหนึ่งในสามทางนี้ขึ้นอยู่กับการกระทําของใจ ในขณะที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่เหมือนตอนนี้ตอนนี้พวกเราทุกคนสามารถเลือกทางไปได้ทางไปของดวงวิญญาณของพวกเราเราจะไปทุกขติก็ได้ไปอบายไปนรกก็ได้หรือไปสุขติคือไปสวรรค์ชั้นต่างๆก็ได้หรือไปนิพพานก็ได้ ตอนนี้เรายังมีเวลาเราสามารถเลือกได้แต่ถ้าพอเวลาที่เราตายไปแล้วเราจะไม่สามารถเลือกได้ตอนนั้นการกระทำของเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่จะเป็นผู้เลือกให้เราไปตอนนี้เราเลือกได้ฉะนั้นเราควรที่จะมาศึกษาว่า วิธีการไปทุกขติก็ดีไปสู่สุ ข, ขติก็ดีไปสู่นิพพานก็ดีนี้ทำอย่างไรกันซึ่งก็เป็นตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้มาตัดสู้และได้นำเอาความรู้อันวิเศษนี้มาสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเรา คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆองคน์นี้ก็มีสามข้อใหญ่ที่ตรงกับสามทางเลือกของดวงวิญญาณนี่ข้อที่หนึ่งก็ทรงสอนให้ละการกระทำบาปทั้งปวงอันนี้ก็เป็นการสอนให้เราปิดประตูไปสู่อบายนั่นเองไปสู่ทุกขติเพราะทุกขตินี้ไม่ใช่เป็นที่ที่มีใครอยากจะไปกัน ทุกขติก็เป็นเหมือนกับคุกตารางของของพวกเราที่มีชีวิตอยู่ในตอนนี้ไม่มีใครอยากจะไปติดคุกติดตารางกันเราจึงต้องปฏิบัติตนเองด้วยการไม่กระทําผิดกฎหมายต่างๆนั่นเองฉันใดทุกขติของดวงวิญญาณก็เป็นเหมือนคุกตารางของพวกเราที่ เรายังมีชีวิตอยู่ในตอนนี้เหตุที่พาให้เราไปติดคุกติดตารางกันก็เพราะเราไปทำผิดกฎหมายต่างๆของบ้านเมือง ก, ก็ต้องถูกจับไปลงโทษจับไปครังคุกฉันใดทุกขติก็เป็นเหมือนทุกตารางของดวงวิญญาณถ้าพวกเราไม่อยากจะไปทุกขติกันเราก็ต้องทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อแรก ที่ทรงสอนให้เราละการกระทำบาปทั้งปวงบาปก็มีอยู่สี่ข้อด้วยกันสี่ห้าข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตข้อที่สองก็คือการลักทรัพย์ข้อที่สามก็คือการประพฤติผิดในการมข้อที่สี่ก็คือการพูดปดและข้อที่ห้าที่ เป็นอบายามุขก็คือการดื่มสุรายาเมาทั้งข้อทั้งห้าข้อนี้เป็นการกระทําที่เป็นบาปที่จะนําพาให้ดวงวิญญาณเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วให้ไปเกิดในทุกขติไปเป็นเดรลฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นนศรกายบ้างไปตกนรกบ้างขึ้นอยู่กับ เหตุผลของการกระทำบาปว่าทําบาปด้วยเหตุผลอันใดถ้าทําบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ก็จะไปเกิดเป็นสัตว์ในราชานถ้าทําบาปด้วยความโลภก็จะไปเกิดเป็นเปรตถ้าทําบาปด้วยความกลัวก็จะไปเกิดเป็นอสุรกายถ้าทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาท เคียดแค้นจองเวรจองกรรมก็จะต้องไปเกิดในนรกนี่คือทุกขติหรืออบายสีส่สถานด้วยกันที่ผู้ที่กระทำบาปทั้งหลายจะต้องไปกันเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว น, นี่คือทางเลือกที่หนึ่งคือการไปสู่ทุกขติเรารู้สาเหตุแล้วว่า เหตุที่จะพาให้เราไปสู่ทุกขติก็คือการกระทำบาปและการเสพอบายามุขเช่นดื่มสรารยาเ ม, มาออเป็นต้นเราก็พยายามละการกระทำบาปเหล่านี้เสียอย่า ก, กระทำมันถ้าเราสามารถละได้เราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายข้อที่หนึ่งนี่คือทางเลือกที่หนึ่ง การไปเกิดในอบายเกิดจากการกระทำบาปทั้งปวงถ้าไม่ต้องการไปอบายก็ต้องยุติการกระทำบาปด้วยการรักษาศีลห้าให้เป็นนิจศีลให้เป็นนิสยัยให้เป็นปกติ น, นี่คือทางเลือกที่หนึ่งของดวงวิญญาณของพวกเราทุกคน ทำเลือกข้อที่สองก็ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมคือให้การให้ทาความดีต่างๆทำคุณทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นและเพราะการกระทำบุญทำกุศลทาคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้นี้จะนำพามาซึ่งความสุข และความสุขนี้จะเป็นผู้ที่จะพาดวงวิญญาณให้ไปสู่สุคติมะอยู่พบที่มีแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์<ม>คือสวรรค์ชั้นต่างๆที่มีอยู่หกชั้นด้วยกัน<ม>การทำความดีต่างๆเช่นการทำบุญทำทาน<ม>การอุทิศบุญส่วนบุญส่วนกุศล การอนุโมทนาบุญการได้ช่วยเหลือรับใช้ผู้เป็นต้นหรือการตอบแทนพระคุณของผู้มีพระคุณคือความกตัญญูกตวเวทีเป็นการกระทำที่เป็นบุญเป็นกุศลที่จะทำให้ใจหรือดวงวิญญาณนี้ได้ไปสู่สุคติได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้น ที่เรียกว่าสวรรค์ชั้นเทพมีอยู่หกชั้นด้วยกันขึ้นอยู่กับว่าทำบุญมากทำบุญน้อยทำบุญน้อยก็จะอยู่สวรรค์ชั้นต่ำทำบุญมากก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นสูงอันนี้คือทางเลือกที่สองที่เราสามารถเลือกไปได้คือการทำตามที่พุธเจ้าได้ส่งสอนก็คือให้ ให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อ ม, อมเวลาที่ร่างกายตายไปบุญกุศลที่เราสร้างกับบาปกรรมบางข้อบางครั้งที่เรายังอาจจะทำอยู่ก็จะเป็นผู้ที่จะมาดึงดวงวิญญาณของเราให้ไปทางใดทางหนึ่งถ้าเราไปทำบาปมากกว่าทำบุญ บาปก็ยังมีอ้ทีอิทธิพลที่จะดึงเราไปทางอบายได้ไปสู่สุขไปสู่ทุกขติได้แต่ถ้าบุญที่เราทํานี้มีมากกว่าบาปที่เราได้ทําไว้บุญก็จะดึงใจให้เราไปสู่สุขติไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆแต่การไปเกิดในสุขติก็ดีในทุกขติก็ดีก็เป็นการไป เกิดช่วงไปอยู่ช่วงกลางไม่ได้ไปอยู่แบบยั่งยืนถาวรผู้ที่ทำบาปแล้วพอตายไปดวงวิญญาณก็ไปรับผลของบาปที่ได้กระทำไว้พอบาปที่ได้กระทำไว้ได้หมดลงดวงวิญญาณก็จะได้กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีผู้เป็นพวก อาภัพวาสนา mm hmm. เพราะอิทธิพลของบาปยังมีหลงเหลือตกค้างอยู่ในใจนี้จะทำให้มาเกิดเป็นคนที่อาภัพวาสนา mm hmm. เป็นคนที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์อาการไม่ครบสามสิบสองบ้างมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนบ้าง mm hmm. มีอายุที่ไม่ยืนยาวนานบ้าง มีฐานะการเงินการทองที่ยากจนเป็นต้นอันนี้เป็นอิทธิพลของบาปที่ได้ทำไว้ที่ยังตกค้างอยู่ในใจก็จะมาส่งผลให้มาเกิดเป็นคนที่ยากจนคนที่อาภาัพวาสนาเป็นต้นในทางกลับกันสำหรับผู้ที่ได้ทำบุญมากกว่าทำบาป เวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆจนกว่าบุญที่ส่งไปนั้นหมดกำลังลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีวาสนาบารมีเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณผ่ผองใสหน้าตาสวยงามมีฐานะการเงินการทองที่ร่ารวย มั่งคัง่งแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงมีอาการครบสามสิบสองไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอายุยืนยาวนานเป็นต้น น, นี่คืออา น, นิสงส์ของบุญที่ได้กระทำไว้ที่ยังตกค้างอยู่ในใจก็จะส่งผลให้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนที่มีวาสนาบ า, ามีแต่ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ ที่มาจากทางทุกขติก็ดีอยากทางสุ ข, ขติก็ดีเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะต้องพบกับความทุกข์เหมือนกันก็คือทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดจากกันแล้วก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆผู้ที่ทําบุญมักจะกลับมาทําบุญต่อ แล้วพอตายไปดวงวิ ญ, ญญาณก็ไปสู่สุคติต่อแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาทำบุญใหม่เป็นว่ายตายเกิดในสุคติไปเรื่อยๆส่วนพวกที่ทำบาปก็มักจะกลับมาทำบาปต่อเวลาได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาทำบาปต่อแล้วเวลาตายไปบาปก็จะส่งให้ไปเกิดในอบายหลังจาก พจากกระบายก็กลับมาเกิดใหม่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติไปเรื่อยๆยกเว้นว่าผู้ที่มาเกิดแล้วเกิดมีการเปลี่ยนแปลงทางนิสัยได้เช่นที่เคยชอบทําบาปพอมาเกิดครั้งนี้อาจจะเปลี่ยนนิสยัยอาจจะเพราะว่าได้ไปพบกับคนดีคนที่เขาสั่งเขาสอนให้ ทำแต่ความดีไม่ให้ทําบาปแล้วถ้าเชื่อฟังแล้วทําตามได้ก็อาจจะเปลี่ยนขั้วได้จากการเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติไปเวียนว่ายตายเกิดในสุกติก็ได้ในทางตรงกันข้ามก็เช่นเดียวกันกับพวกที่มาเกิดที่มาเกิดด้วยด้วยวาสนาบารมีผู้ที่มาจากสวรรค์ ก็อาจจะเปลี่ยนนิสัยได้ถ้าไปอยู่กับคนที่มีนิสัยไม่ดีแล้วถูกเขามีอิทธิพลครอบงําดึงให้ไปทําบาปทํากรรมต่างๆก็อาจจะเปลี่ยนคั่วจากการเวียนว่ายตายเกิดในสุขกติไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดในทุกขกติก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของทางเลือกสองทางแรกคือ เป็นทางเลือกที่จะต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเรื่อยๆบางครั้งก็อาจจะไปเกิดในทุกขติบางครั้งก็อาจจะไปเกิดในสุ ข, ขติขึ้นอยู่กับบาปก บ, บุญในแต่ละครั้งที่มาเกิดว่าทำทำส่วนไหนมากกว่ากันถ้าทำบาปมากกว่าบุญตายไปก็ต้องไปสู่ทุกขติถ้าทำบุญมากกว่าบาปตายไปก็จะไปสู่สุ ข, ขติ แต่ก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนอกจากว่าถ้าได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนา<ม>ก็จะได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะได้เรียนรู้วิธีทางเลือกที่สามที่ไม่มีใครรู้มาก่อนเป็นเป็นทางเลือกที่มีพระพุทธเจ้าเป็น ผู้ส่งคนพบก็คือทางไปสู่พระนิพพานการออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดการที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปการไปอยู่ที่ที่มีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรที่เรียกว่าบารลมะสุนิบานังปรละมังสุขขงังนิพพานนี้เป็นที่ ที่มีแต่บัลลุ ม, มสุดอันนี้จะเป็นทางเลือกที่สามถ้าเรามาเกิดในยุคที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้เช่นในในภพนี้ชาตินี้พวกเราถือว่าโชคดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาทำให้เราได้เรียนรู้ว่ามีทางเลือกที่สามคือการ ไปสู่พระิพาน<ม>การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการยุติการเวียนว่ายตายเกิด<ม>ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนต้องรอให้มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาค้นพบแล้วนาเอามาเผยแพ่สั่งสอนให้กับสัตว์โลกที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นําเอาไปศึกษาได้นําเอาไปปฏิบัติตาม นี่คือทางเลือกที่สามที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งเราต้องมาเกิดเป็นมนุษย์สองเราต้องมีเราต้องพบกับพระพุทธศาสนาพบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราต้องมีศรัทธาความเชื่อในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอน ถ้าเรามีองค์ประกอบเหล่านี้แล้วเราก็สามารถที่จะไปในทางที่สามนี้ได้ทางเลือกที่สามนี้ได้คือไปสู่พระนิพพานซึ่งวิธีจะไปสู่พระนิพพานก็ตรงกับคําสอนข้อที่สามของพระพุทธเจ้านั่นเองที่ทรงสอนให้ชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ใจของพวกเราตอนนี้ไม่บริสุทธิ์มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองครอบงําอยู่ ปีเลครื่องซ้ำหลวงนี้เป็นผู้ที่ลากหดึงใจของพวกเราหรืดวงวิญญาณของพวกเรานี้ให้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในสุคติบ้างในทุกขติบ้างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดของดวงวิญญาณของพวกเราเราก็ต้องชำระใจของพวกเราให้สะอาดบริสุทธิ์ ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในตอนนี้ชาระกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายที่เป็นผู้ที่ดึงให้ใจของพวกเราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆนี่เองซึ่งการชาระสักพอกใจนี้ก็ต้องใช้เครื่องสักพอกที่พระเจ้าได้สรงนำามาเผยแผ่สั่งสอน<ม>การซักพอกใจก็ต้องซักพอกด้วยการ บำเพ็ญจิตตภาวนาจิตตภาวนาก็คือการพัฒนาจิตใจซึ่งมินมีมีแบ่งเป็นการพัฒนาอยู่สองขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสมถภาวนาคือพัฒนาความสงบให้แกบจิตใจให้จิตใจมีความสงบมีความสุขนะเพื่อที่จะได้ มีกําลังไว้ต่อสู้กับกิเลสอาสวะทั้งหลายที่คอยดึงใจให้ไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆนี่คือขั้นที่หนึ่งก็คือพัฒนาใจให้มีความสงบแบบชั่วคราวคือการเข้าสมาธิเข้าฌานขั้นต่างๆแล้วขั้นที่สองคือการพัฒนาจิตใจที่เรียกว่าภาวนาก็คือการเจริญ วิปัสนาภาวนาคือการสอนใจให้ความรู้ในพระอริยาาสัจสีความรู้ในไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาให้แก่จิตใจได้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กิเลสตัณหาความอยากต้องการให้เราไปแสวงหามานี้ล้วนเป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังเป็นความสุขแบบชั่วคราว แล้วก็พอมันจะมีเจริญแล้วมันก็มีเสื่อมเป็นธรรมดามีเกิดแล้วมันก็ต้องมีดับธรรมดาได้อะไรมาไม่ว่าจะดีขนาดไหนก็ตามได้มาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเสื่อมมันก็ต้องหมดไปเวลามันเสื่อมมันหมดมันก็จะทำให้เราทุกข์ทำให้เราเศร้ากันเพราะว่ามันเป็นอนัตตามันเป็นของที่เราไม่สามารถ ควบคุมบังคับเก็บเอาไว้ให้เป็นของเราไปได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะมีอะไรในขณะนี้วันใดวันหนึ่งเราก็จะต้องสูญเสียมันหมดไปเวลาที่เราต้องสูญเสียไปมันก็จะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจนี่คือการพัฒนาปัญญาความรู้ความฉลาดในความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ใจถูกกิเลส ชักนำให้ไปแสวงหาเพื่อเพื่อหาความสุขจากสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่มันเป็นความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวไม่ยั่งยืนถาวรเวลามันเสื่อมเวลามันหมดก็จะสร้างความทุกข์สร้างความเศร้าโศกเสียใจยให้กับใจถ้าใจเห็นด้วยปัญญาตลอดเวลาก็จะสามารถระงับความอยากต่างๆที่จะไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ได้ พอระงับความอยากต่างๆได้หมดสิ้นประจากใจใจก็จะเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากความอยากต่างๆก็จะไม่มีอะไรมาดึงให้ใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอีกต่อไปไม่ต้องไปเกิดในกามภพบไม่ต้องไปเกิดในรูปะพบไม่ต้องไปเกิดในอรูปะพบอยู่นอก เขตของส th e ังสารวัฏสังสารวัฏก็เหมือนกับคุกตารางสวนนิพพานนี้เป็นเหมือนเขตนอกคุกตารางผู้ที่อยู่ในคุกในตารางนี้มีความทุกข์มากกว่าผู้ที่อยู่นอกคุกอันั้ผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ก็ต้องมีความทุกข์มากกว่าผู้ที่อยู่นอกสังสารวัฏก็อยู่ที่พระนิพพานนี้เอง นี่คือทางเลือกที่สามของดวงวิญญาณที่เราสามารถเลือกกันได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราต้องเลือกตอนนี้และทำมันตอนนี้เพราะเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วเราเลือกไม่ได้แล้วเราทำไม่ได้แล้วเพราะว่าอานาจของบุญของบาปของการกระทาต่างๆของเรานี้จะเป็นผู้เลือกทางให้กับเราเพราะฉะนั้นถ้าเรายัง ไม่ได้เลือกทางเราก็รีบเลือกกันเซยบัดนี้ทางเลือกที่หนึ่งเราไม่ต้องการไปกันเราก็ละ ก, การกระทำบาปทั้งปวงเสียอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเพสประพฤติผิดในการอย่าพูดปดโกหกหลอกลวงแล้วก็อย่าดื่มของมึนเมาต่างๆถ้าเราทำห้าข้อนี้ได้เราก็จะปิดประตูบายได้ หรือว่าถ้าเรายังพลาดพังบ้างบางครัง้งบางคราวเราก็ยังสามารถใช้การทำบุญต่างๆมาช่วยช่วยดึงใจให้ไปสุขกติได้ถ้าเราทำบุญมากกว่าทำบาปเวลาที่ร่างกายตายไปบุญที่มีมากกว่าบาปก็จะดึงเราไปสู่สุขกติแต่ก็ยังจะพาให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ี่เรื่อย ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราก็ต้องบำเพ็ญจิตตภาวนาสักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กาจัดกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆกําจัดความอยากต่างๆที่เป็นตัวเหตุพาให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบถ้าญาติามใดยังมีการเกิดอยู่สามนั้นยังต้องมีความทุกข์อยู่เพราะทุกย่อมมีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นและผู้ที่จะไม่ กลับมาเกิดได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ที่ได้รับการซักพอกจากการบำเพ็ญจิตตภาวนาคือส ม, มถาภาวนา <c oughs> และวิปัสสนาภาวนานี่เองนี่ก็คือทางเลือกสามทาง <c oughs> ของดวงวิญญาณของพวกเราทุกคน <c oughs> เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วใจผู้ผู้สั่งให้ร่างกายผู้ใช้ร่างกายให้ไปทำอะไรต่างๆ ไปทำบุญบ้างไปทำบาบ้างไปซกักพอกจิตใจบ้างใจนี้ก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นดวงวิญญาณไปแล้วก็จะเป็นผู้ที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปหรือผลที่ได้รับจากการชำระจิตใจซกักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุดนี่คือธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้คือเรื่องของทางเลือกของดวงวิญญาณที่เราจะต้อง กันขึ้นอยู่กับการกระทาของเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาส0สบนาทีแรกที่ได้กำหนดเอาไว้ใ น, ใ น, ใ น, ในลำดับต่อไปเราก็จะมาปฏิบัติทมเราจะมาซักพอกจิตใจด้วยการบำเพ็ญ จ, จิตตภาวนาขั้นที่หนึ่งก็คือขั้นสมถภาวนาทำจิตใจให้สงบแบบชั่วคราวไปก่อน เพื่อที่จะได้เป็นฐานสำหรับการซักพอกจิตใจด้วยปัญญาในขั้นต่อไปซึ่งเป็นการซักพอกอย่างยั่งยืนถาวรทำใจให้สงบ อ, อย่างยั่งยืนถาวรด้วยปัญญาด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนาแต่ก่อนที่จะไปสู่การเจริญวิปัสสนาภาวนาได้จำเป็นจะต้องมีสมถะภาวนาเป็นผู้สนับสนุนก่อน จึงจำเป็นที่จะต้องมาเจริญสติมานั่งสมาธิทำใจให้สงบเข้าสมาธิเข้าชาญในในชั้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปฌปานก็ดีหรืออรูปฌปานก็ดีเป็นความสงบที่จะทำให้ใจได้พบกับความสุขที่เหนือกับความสุขทั้งปวงและเมื่อได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็จะทำให้ ง่ายต่อการที่จะเลิกไปหาความสุขที่เป็นความทุกข์ที่เป็นความสุขแบบชั่วคราวด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะตัางสอนให้จิตใจรู้ว่าอะไรเป็นสุขแท้อะไรเป็นสุขปลอมนั่นเองการนั่งสมาธินี้จึงเป็นเรื่องสำคัญในการซักฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ในการที่จะทำใจให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ได้ต้องผ่านการเจริญส ม, มะถะภาวนาก่อนแล้วหลังจากที่ได้ส ม, มะถะภาวนาแล้วถึงค่อยไปเจริญวิปัสสนาภาวนาต่อไปใจก็จะหลุดพ้นใจก็จะอยู่ในพระนิพพานไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนะต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันเพื่อทำใจให้สงบการที่จะทำใจให้สงบให้นิ่งเป็นสมาธิได้นี้ ย่อเป็นจะต้องมีสติคอยกำกับใจคอยผูกใจให้อยู่กับอารมณ์ที่เราเรียกว่ากรรมฐานซึ่งมีหลากหลายกรรมฐานชนิดด้วยกันชนิดที่เราใช้กันอยู่ประจำที่ที่รู้กันแพร่หลายก็คือการใช้พุทธานุสติคือการน้อนึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการบริกรรมคำว่าพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปภายในใจซึ่งเราสามารถจเจริญได้ ตั้งแต่ก่อนที่เราจะเข้ามานั่งสมาธิเลยการเจริญสติได้มากเท่าไหร่นี้จะมีผลต่อการมานั่งสมาธิของเราถ้าเราจเจริญสติได้มากเวลานั่งสมาธิใจก็จะนิ่งจะสงบได้ง่ายได้เร็วถ้าเราจเจริญสติน้อยเวลาเรามานั่งสมาธิใจก็จะสงบยากจะสงบช้านะดังนั้นนอกจากการเจริญสติในขณะที่นั่งสมาธิแล้ว เราควรที่จะเจริญนสติในระหว่างวันด้วยคือตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับนี้เราสามารถเจริญสติได้ตลอดเวลาเราสามารถบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปในใจของเราได้ตลอดเวลาเวลาที่เรามีการกระทำอะไรต่างๆถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดเราก็ใช้คำบริกรรมพุโทโธคอยระงับความคิดไว้ถ้าเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดเราก็ หยุดคำบริกรรมไว้ชั่วคราวเราคิดในเรื่องงานที่เราต้องคิดคิดให้เสร็จแล้วก็กลับมาหยุดความคิดด้วยการบริกรรมพุโทโธต่อถ้าเรามีสติต่อเนื่องเป็นสัมปชัญญะเวลานั่งสมาธิใจก็จะนิง่งจะสงบได้ง่ายได้เร็วเวลานั่งเราจึงต้องมีสติคอยกำกับใจให้อยู่กับกรรมฐานกรรมฐานอีกอย่างที่ทนิยมใช้กันก็คือ อาณาปณะสติคือการดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกอันนี้ก็สามารถที่จะผูกใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆได้ให้รู้ว่าลมเข้าลมออกลมสั้นลมยาวลมหยาบลมละเอียดให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปทําอะไรกับลมปล่อยให้ลมเขาทําหน้าที่ของเขาไปปล่อยให้เขาหายใจตามธรรมชาติของเขาเราเพียงแต่ใช้ลมเป็นที่ที่ผูกใจ ไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆท่านั้นเองถ้าเราอยู่กับลมไปเดี๋ยวลมก็อาจจะรู้สึกว่าหายไปก็ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจเพราะลมตอนนั้นจะละเอียดมากเพราะจิตกาลังจะเข้าสู่ความสงบตอนนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรให้รู้อยู่ที่จุดเดิมอยู่ที่ปลายจมูกให้รู้ว่าตอนนี้ลมไม่สามารถจับได้แต่ก็ให้มีสติอยู่กับจุดจุดเดิมอยู่ แล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้ถ้าเราไม่ตื่นเต้นตกใจนะและในขณะที่เรานั่งสมาธินี้ถ้าเกิดมีอะไรเข้ามาแทรกอาจจะมีเสียงมีแสงมีภาพหรือมีอาการต่างๆของร่างกายเช่นเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้คันตรงนั้นคันตรงนี้หรือมีความรู้สึกว่าร่างกายเราจะเอ็นไปทางด้านซ้ายด้านขวาก็อย่าไปสนใจ พยายามดึงใจให้กลับมาอยู่ที่กรรมฐานตลอดเวลาอาการต่างๆเหล่านี้ก็จะหายไปเองอาการต่างๆเหล่านี้จะทําให้เราไม่สามารถเข้าสมาธิได้ถ้าเราไปให้ความสนใจแต่ถ้าเราไม่ให้ความสนใจเราผูกใจอยู่กับกรรมฐานที่เราได้ใช้อยู่ในขณะนั้นเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้บางท่านยังไม่สามารถใช้คบริกรรมพุโทโธได้ หรือดูลมได้เพราะใจคิดฟุ้งซ่านอยู่มากคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดไม่อยู่ก็อาจจะใช้อุบายของการสวดมนต์ไปก่อนนั่งหลับตานั่งในสมาธิแล้วก็สวดมนต์ไปในใจสวดบทไหนก็ได้สวดบทยาวก็ได้บทสั้นก็ได้แต่ต้องสวดไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกว่าใจเริ่มหายฟุง้งใจเริ่มเบาใจเริ่มสบายแล้วก็จะมาใช้ลมดูลมหายใจต่อก็ได้ หรือบริการพุทโทก็ได้แล้วแต่ความพอใจนี่คือหลักการของการทำสมาธิโดยสังเกตเพื่อให้ท่านจะได้ใช้ไปเป็นองค์ประกอบในขณะที่ท่านทำสมาธิกันตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะหมดเวลาตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้ว ก่อนที่จะเลิกก็ขอให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วได้ผลดีไหม <c oughs> ถ้าสงบดีก็ให้จำวิธีนั่งของวันนี้ไว้แล้วคราวหน้าเวลานั่งอีกก็ใช้วิธีเดิมนี้ก็จะสามารถทำใจให้สงบได้อีกแต่อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากให้มันสงบนี้จะไม่ทำให้ใจสงบได้ และต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปูราปาริปุเรนติสักรังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุ ป, ปกาปิอิจิตังปธิตังตุมหังคิปเมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยธามะนโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินสตุมาเตภวตวันตระโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาตนสีริสานิจังวุทาปจายโน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 ภารกิจอย่างอื่นต้องทำจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยถ้าจะมาถามตอนนั้นถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ตอนนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่เรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมานากุติจากทางเฟ e บ o o กพระอาจารย์สุชาติ300ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์321 YouTube ดร วิทยุออนไลน์5้าคลับเฮาส์สี่นากุติ272ริบรวมทั้งหมด9 4้า้าท่านค่ะครับทำนามสการครับท่านอาจารย์คือผมคิดที่อยากจะบวชแบบไม่กำหนดศึกเลยครับแล้วก็ผมอยากจะหาวัดที่ปฏิบัติเยอะๆแล้วก็ ไม่มีเรียนนักธรรมหรืออะไรอย่างนี้ครับผมก็อยากจะทราบว่าที่นี่ใช่วัดที่ปฏิบัตินะครับที่นี่ก็เป็นเก่งปฏิบัติมีทั้งมีการเรียนหนังสือแล้วก็มีการปฏิบัติสำหรับพระบวชใหมน่นี้ท่านเจ้าว่าท่านอยากจะให้เรียนหนังสือก่อนแต่สำหรับพระที่ได้พรรษาแล้วถ้าอยากจะปฏิบัติก็ขึ้นไปอยู่บนเขาอันนี้ก็เลยต้อง ต้องแล้วแต่จเจ้าอาวาดว่าท่านจะอนุญาตให้เราขึ้นเขาได้เมื่อไหร่บางท่านอาจจะให้อยู่ข้างล่างเรียนหนังสือไหว้พระสวดนต์ธรรมวัดเช้าเย็นอะไรไปก่อนเป็นพื้นฐานของพระใหม่แต่ถ้าอยากจะปฏิบัติล้วนๆก็ต้องไปทางภาคีสารวัดสายกุบาจารย์สายหลวงตามหาบัวสายกุบาจารย์ต่างๆท่านจะเน้นการปฏิบัติไม่ต้องเรียนหนังสือ สมัยที่เราบวชแล้วก็ไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดก็ไม่มีการเรียนหนังสือมีแต่การปฏิบัติอย่างเดียวถ้าอยากจะปฏิบัติก็ลองไปเริ่มต้นที่วัดป่าบ้านตาดไปคุยถามพระที่นั่นดูก่อนก็ได้ว่ามีมีวัดไหนบ้างที่ที่เราจะสามารถไปไปเช็คดูได้ว่าถูกกับเราหรือเปล่าครับแล้วอย่างวัดป่าบ้านตาดกับวัดป่านาคาน้อยนี่ต่างกันเยอะไหมครับือ สมัยนี้เป็นยุคที่มันเจริญแล้วคนเข้าออกเยอะพราเยอะมันไม่มีเวกถ้าอยากจะวัดต้องการวัดที่สงบวิเวกต้องไปวัดที่ยังไม่มีคนค่อยรู้จักมีพระไม่มากสักสิบองค์สิบห้าองค์เป็นอย่างมากอะไรแต่ถ้ามีเป็นสามสิบสี่สิบนี่มันจะมันจะเป็นวัดใหญ่แล้วมันจะมีภาร ก, กิจอย่างอื่นต้องทําด้วยช่วยกันดูแลทําความสาะอาดจัดสถานที่ พอมีศรัทธาญาติโยมต้องมาทําบุญอะไรต่างๆแต่ถ้าไปอยู่วัดที่คนไม่รู้จักก็ยังไม่มีใครไปมากก็เลยไม่ต้องมีภารกิจที่จะต้องเตรียมสถานที่ทําความสะอาดอะไรต่างๆบิณบาตก็มาฉันปั๊บเสร็จแล้วก็สามารถแยกไปปฏิบัติที่ตามที่พักของตนได้เลยถ้าอยากจะปฏิบัติก็ต้องอยากจะปฏิบัติมากๆก็ต้องไปหาวัดที่เงียบๆที่มีผ้าน้อย แต่ก็ต้องหาวัดที่มีครูบาอาจารย์ที่จะสามารถช่วยสอนเราได้ด้วยอันนี้เป็นปัจจัยที่เราจะต้องพิจารณาให้รอบก็เราต้องเป็นครูบาอาจารย์ที่แบบสอนตัวต่อตั ว, ต ว, ตวหรือว่าแบบแคเ่เน้นให้แนวทางพอครั บ, ๆๆบก็มีทั้งสองอย่างท่านก็จะเทศสอนเป็นเนทศหบรงพระพร้อมๆกันแล้วบางทีเวลาเจอกันท่านก็จะท่านก็จะเอากุบายต่างๆให้เรา ก็มีทั้งสองรูปแบบแบบตัวต่อตัวหรือแบบเป็นกลุ่มตัวต่อตัวมกักจะโดนถูกท่านด่านะตัวต่อตัวพอทําอะไรไม่มีสติท่านก็จะเตือนนะทําอะไรไม่มีสติหรือทํากิจที่ไม่พึงกระทำท่านก็จะไล่ถ้าชอบมานั่งฉันกาแฟาอยู่เรื่อยๆอยเดี๋ยวท่านเห็นบ่อยๆท่านก็ว่าไปกลับไปที่ภากไปปฏิบัติ กืจะสอนโดยเป็นแบบธรรมชาติไม่ได้สอนแบบเปิดหนังสือตำราว่าออต้องทำวิริยะนะต้องทาสติต้องทำสมาธิอันนี้มั น, มนทางสายปฏิบัติเราจะไม่ได้ใช้ตำราเราจะใช้หลักความเป็นจริงของผู้ปฏิบัติ ค, ครับเ okay. ขบณพระครครับอาจารย์กรับะอาจา์ครับ จะสอบถามเรื่องของการนั่งสมาธิครับอาจารย์เมื่อสักครู่ได้ลองนั่งโดยปกติพอเวลานั่งแล้วมันเหมือนมันรวบมาเลยครับมันแทบจะรวบตามตาที่ปิดเลยครับก็ ว, วุ้บลงมาเลยแล้วมันก็จะจ่ อ, อยตรงนั้นแต่ก็จะเป็นอยู่พักหนึ่งครับแล้วหลังจากนั้นพอรู้สึกว่ามันมันแน่นๆก็จะแล้วก็ไหลแล้วก็อะไรต่างๆจะเกร็งก็จะค่อยๆคลาย พอคายหรือพอบริกรรมเมตตาช่วยครับมันจะแผ่ออกไปเลยแล้วมันเหมือนแตะบางๆจนบางทีก็ไหลไปกับความคิดบ้างหรือบางทีก็เบลเบลไปเลยอย่างนี้ครับแล้วพอมันรู้ตัวก็ก็มันรวบใหม่มันก็จะวนอยู่อย่างนี้ครับออขอคําแนะนําพระอาจารย์ด้วยครับคือคนจะยึดอะไรเป็นที่ผูกใจไว้อย่าไปตามรู้กับการปรากฏการต่างๆเหล่านี้ ครับใช้พุทธโธพุทธโธก็ได้ใช้บทอะไรก็ได้แล้วไม่ต้องไปสนใจเวลาจิตมันแสดงอาการต่างๆขึ้นมาให้อยู่กับบทที่เราบริกรรมเช่นพุทธโธหรือใช้บทแผ่เมตตาก็อยู่กับบทแผ่เมตตาไปครับอย่าไปตามดูเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นเพราะมันเป็นมันเป็นของหลอกเราให้เราไม่ได้มิไม่ได้ตั้งตั้งตั้งอยู่ในสมาธิครับเราต้องผูกใจไว้กับอารมณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งพูดกับพุทโธก็ได้ผูกกกับบทสวดมนต์ก็ได้ผูกกับลมหายใจเข้าออกก็ได้จดจออไปเลยใช่ไหมครับอพอดูมันเนี่ยเรานั่งนั่งเหมือนคุณนั่งดูเราเนี่ยก็ดูแต่เราอย่างเดียวไม่ไปดูคนอื่นรอบข้างใครจะมาเดินมาทำอะไรก็ไม่สนใจดูดูแต่เราคนเดียวทังสมาธิก็ต้องเพ่งอยู่กับเรื่องเดียว อ, อยู่กับลมแล้ว อ, อยู่กับพุทโธแล้ว อ, อยู่บทสวดมนต์ มีอะไรปรากฏจิตแสดงอาการอะไรขึ้นมาก็อย่าไปสนใจครับมันเป็นมันเป็นกิจมันมันพฤติกรรมของจิตที่ยังไม่สงบถ้าเราไปให้ความสําคัญมันยิ่งจะทําทให้จิตไม่สงบงอืออย่างที่คุณเล่ามันก็วิ่งไปวิ่งมางตามมันไปตามมันมาอย่าไปตามมันให้อยู่กับกรรมาฐานที่เราใช้เป็นอารมณ์ผูกใจ พุทโธพุทโธไปดูลมไปหรือสวดมนต์ไปอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าทำทีเดียวพร้อมกันทั้งสามอันเอาอันเดียวได้ครับลองทำดูใจจะนิ่งเดี๋ยวสิ่งสิ่งต่างๆที่ใจสแสดงขึ้นมามันก็จะหยุดมันก็จะหายไปมันเป็นอาการของใจใจยังไม่นิ่งมันก็จะเล่นกลให้เราดูครับ ถ้าป่อยมันได้ก่อนนี้ก็มันก็จะไม่มีวันสง บ, บได้ต้องอย่าไปสนใจผูกมันไว้กับกรรมฐานผูกไว้กับบทสวดมนต์ผูกไว้กับพุทโธหรืออะไรก็ได้ที่เราสามารถยึดเหนี่ยวจิตใจได้ก็ใช้อ น, นั้นไปเห็นนั่งตามเห็นอย่าไปดูตามอาการของใจพอมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา น, นิจังทุกขังนั้นตามันจะไม่มีมันจะไม่มีวันที่จะนที่จะสง บ, บได้ เข้าใจครับเข้าใจแล้วครับอขอบคุณครับคำถามจากผู้รับฟังน้ากุติค่ะแนวทางการนะ้า <c oughs> แนวทางการทำสมาธิสำหรับผู้เริ่มใหม่ในขั้นต้นควรปฏิบัติอย่างไรครับปฏิบัตินานแค่ไหนกี่นาทีครับคือต้องมีสติผูกใจไว้กับอารมณ์เช่นพุทโธเนี่ย ผูกใจไว้อย่กับพุทธโธพุทธโธอย่าไปตามคิดอย่าไปตามดูอะไรที่ปรากฏให้เราได้ดูได้เห็นอยู่กับพุทธโธไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะสงบจะนานหรือไม่นานก็สุดแต่กำลังของเราที่จะนั่งต่อไปนั่งได้นานเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีแต่ถ้านั่งแล้วสงบได้ยิ่งดีให่แต่ถ้านั่งยังไม่สงบก็ยังต้องพยายามอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสงบ คำถามสภูรับฟังหน้ากุฏิค่ะขอคําแนะนําในการเจริญสมาธินอกเหนือจากอเดียบททั้งสแล้วระหว่างที่เรากําลังออกกําลังกายการวิ่งปั่นจั ก, กรยานจะมีวิธีการอย่างไรให้ถูกต้องและได้ประโยชน์มากที่สุดครับก็ดูอาการที่กําลังเกิดขึ้นกําลังวิ่งก็อยู่กับการวิ่งกําลังออกกําลังกายทําอะไรก็อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นให้ดูร่างกายไปเพียงอย่างเดียว คำถามจากผู้รับฟังนะักุฏิค่ะเวลาเล่นอินเทอร์เน็ตจะเพลินเล่นได้นานเป็นชั่วโมงทั้งที่จริงไม่มีสาระและไม่ดีต่อสายตาแต่เวลานั่งสมาธิจะเจ็บเมื่อยคันอยากลืมตามันเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันมีรูปเสียงรูปให้เราเห็นได้สัมผัสกิเลสชอบรูปชอบเสียงได้ดูเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแต่พอให้อยู่กับความว่างอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมนี่มันเบื่อ มันจะนั่งได้ไม่นานมันก็จะเบื่อเพราะมันไม่มันไม่ชินกับอารมณ์เหล่านี้มันชินกับอารมณ์ของรูปของเสียงของกลิ่นของรสคำถามสักทางอินบ็อกซ์ค่ะเรียนสุตะคืออะไรคะสุตตะก็แปลว่าพะสูุรเนีสดต ร, รตร่างๆธรรมเทศนาแต่ละการของพระพุทธเจ้านี้เราจะเรียกว่าพะสูรุรเช่นการแรกเราเรียกว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตร เป็นการแสดงธรรมครั้งแรกให้กับพระปัญจวัคคีแล้วเวลาแสดงคําแต่ละครั้งเราก็เรียกว่าพระสูตรมีชื่อนั้นชื่อนี้ไปเช่นธรรมจักแล้วก็เช่นมงคลพศูรท่านแสดงมงคลสาสิบข้อด้วยกันอันนี้เราก็เรียกมงคลพศูรคำว่าพศูรก็เป็นเป็นธรรมเทศนาหนึ่งกันคำถามจากทาง a c e b o o k ค่ะ เวลานั่งสมาธิแล้วเกิดความรู้สึกอยากกลืนน้าลายควรกลืนไปเลยหรือไม่สนใจไม่ต้องกลืนดูลมหายใจต่อไปดีคะต้องไม่กลืนต้องไม่ต้องไม่สนใจก็สนใจมันจะคอยกลืนอยู่เรื่อยๆแล้วแทนที่จะอยู่กับลมมันจะมันอยู่กับการกลืนน้ําลายถ้าอยู่กับการกลืนน้ําลายใจก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้ฉะั้นอย่าไปสนใจให้อยู่กับลมไปหรืออยู่กับพุโทโธไป ถ้ามันน้ำไรลคิดว่าจะไหลก็ปล่อยมันไหลไปเดี๋ยวเราเรือกว่าค่อยมันนั่งเช็ดใหม่ก็ได้ทำความสะอาดได้แต่ถ้าเราไปสนใจแล้วเราจะไม่มีทางที่จะเข้าสมาธิได้คำถามสักทางเฟ e บ o o กค่ะการปฏิบัติโดยไม่หยุดตลอด25ปีที่สุดของการปฏิบัติ ทำให้ความอยากต่างๆลดลงมีความสุขมากขึ้นทั้งๆที่ลดความต้องการทางโลกลงไปแต่กลับสบายใจสุขใจมากขึ้นแบบนี้มาถูกทางไหมเจ้าคะถูกแล้วการปฏิบัติก็เพื่อลดความอยากต่างๆเพราะความอยากเป็นตัวสร้างความไม่สบายใจต่างๆให้กับใจพอความอยากน้อยลงความไม่สบายใจก็น้อยลงความสุขใจสบายใจก็จะเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับ คำถามจากทาง facebook ค่ะกิเลสคือความคิดที่แท้เข้ามาตอนทําสมาธิใช่ไหมครับกิเลสคือความคิดไปในทางโลภโกรธหลงถ้าไม่ได้คิดไปทางความโลภโกรธหลงก็ไม่ถือว่าเป็นกิเลส mm. ถ้าคิดไปทางธรรมเราก็เรียกว่าธรรมคิดถึงอาการสาสบสองอย่างนี้ก็เป็นนะเรื่องอาการของธรรมความคิดของธรรมคิดไปในเรื่องความตายความแก่ความเจ็บก็เป็นความคิดของธรรมไม่ใช่เป็นความคิดของกิเลส ควาคิดเป็นคิดไปได้ทั้งทางโลกทางกิเลสหรือทางธรรมแล้วแต่เราจะปล่อยให้มันคิดไปในทางไหนส่วนใหญ่มันจะคิดไปในทางโลกมันจะไม่คิดไปในทางธรรมเราต้องดึงมาให้มันคิดในทางธรรมแต่ในขณะที่เราทําสมาธินี่เราต้องหยุดทั้งสองอย่างเราไม่ต้องการคิดทั้งสองทางไม่ว่าจะทางกิเลสหรือทางธรรมเพอันนั้นเราต้องการหยุดคิดเราต้องผูกใจไว้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐาน อยู่กับพุโทโธไปหรืออยู่กับการดูลมไปอย่าไปสนใจกับความคิดแล้วเดี๋ยวความคิดมันก็จะหายไปเองคำถามจากทาง y o u t u ด็อ r เตอร์ฟีชแนลค่ะช่วงนี้เศรษ ฐ, ฐกิจไม่ค่อยดีการค้าขายไม่คล่องต้องยอมขาดทุนซึ่งก็ยอมรับว่าเครียดแต่ไม่สบายใจและไม่สบายใจนักบางครั้งเกิดท้อแท้ใจอยากเลิกกิจการผมควรวางใจอย่างไรดีครับ ก็เราต้องยอมรับว่าเราอยู่ในโลกของความไม่แน่นอนการขึ้นการลงของทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาดังนั้นเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเวลาที่มันเสื่อมเวลาที่มันดับส่วนใหญ่เราจะไม่ยอมรับกันเราก็ทําให้เราเครียดถ้าเรายอมรับได้เราก็จะไม่เครียดเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยเหมือนฝนตกแดดออก เดี๋ยววันนี้ฝนออกฝนตกบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้แดดออกบ้างมันก็มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไม่สามารถไปสั่งมันได้แต่เราทำใจรับกับมันได้ถ้าเราทำใจรับกับมันได้แล้วใจเราก็จะไม่เครียดไม่ทุกข์คำถามจากทาง YouTube ดกรค่ะถ้าเราตายไปแล้วดวงวิ ญ, ญญาณเราจะมองเห็นลูกเราหรือคนที่เรายังห่วงได้หรือเปล่าครับดวงดวงวิ ญ, ญญาณก็จะอยู่ในโลกของความฝัน จ, จะฝันถึงคนงคำถามจากทางยูท b e พระอาจารย์สุชาติค่ะการปฏิบัติทานศีลภาวนาเราจะมีวิธีสังเกตความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการอย่างไรบ้างครับว่าเราทามากขึ้นไงทำทานมากขึ้นนั่งสมาธิมากขึ้นรักษาศีลได้มากขึ้นก็แสดงว่าเราเริ่มก้าวหน้าแล้วตอนต้นเราอาจจะทาทานเดือนละสิบบาท ต่อไปเราก็เพิ่มเป็นร้อยบาทต่อไปเราก็เพิ่มเป็นห้าร้อยบาทนี่แสดงว่าเราก้าวหน้าแล้วเราทําฐานได้มากขึ้นทำได้นนรักษาศีลเดือนละวันอต่อมาแล้วก็เพิ่มเป็นเดือนละสี่วันทุกวันพระอย่างนี้แล้วต่อไปก็เพิ่มเป็นแปดวันอะไรขึ้นไปใ น, นการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นก็ แ, แสดงว่าเรากําลังเจริญก้าวหน้ามากขึ้นคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ มีข้อสงสัยตอนทำสมาธิพอทำไปเรื่อยๆจิตนิ่งจิต ด, ดิ่งแล้วอยู่ดีๆก็สำลักอากาศขึ้นมาจะแก้ไขอย่างไรดีครับไม่ได้กลัวตายแต่อยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมาครับให้รู้เฉยๆแล้วกลับมาดูดูลมหรือพุโทโธต่อไปเราใช้อะไรก็กลับมาม า, มาสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเราดูลมเราก็กลับมาดูลมต่อถ้าเราพุโทโธเราก็กลับมาพุโทโธต่อ อาการที่เกิดขึ้นก็ถือว่ามันเกิดแล้วแล้วก็ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ต้องไปสนใจคำถามจากทางยูทู e พระอาจารย์สุชาติค่ะ ทำสมาธิแบบดูลมภาวนาแล้วมีอยู่วันหนึ่งเมื่อเราขยับเคลื่อนไหวตัวแล้วรู้สึกว่ามีตัวรู้ขึ้นมาเองทุกๆการขยับร่างกายมันรู้ของมันเองความคิดก็เกิดว่ามันคือตัวอะไรเพราะปะกติเราก็คือความคิดแต่ตอนนี้มันมีตัวรู้เข้ามาอีกตัวหนึ่งก็เลยงงๆครับอยากสอบถามว่ามีความคิดกับตัวรู้สองตัวอย่างไหนเป็นเราครับ ไม่ได้เป็นเราทั้งคู่ความคิดก็ไม่ใช่เราตัวรู้ก็ไม่ใช่เรามันเป็นความสามารถของใจที่จะสามารถรู้และสามารถคิดได้คำถามจากทาง Youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะถ้าใจสงบจะรู้เองใช่ไหมเจ้าคะว่าใจสงบใช่เพราะว่าเหมือนกินข้าวถ้ากินอิ่มแล้วก็จะรู้ว่าอิ่มหรือไม่อิ่ม หรือนอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาจะรู้ว่านอนหลับอิ่มไหมบางทีก็รู้นอนยังไม่อิ่มก็กลับไปนอนต่อหมดแล้ยังยังไม่มีคําถามใหม่ค่ะถ้าไม่มีก็เอาแค่นี้ก่อนสําหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด